วันนี้เป็นวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2562เป็นวันหยุดทำงานทำการของราาศรศัทธาญาติโยมพุทธบริษัทผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมและพระสง มีเวลาว่างที่จะได้เข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้ที่รู้ความจริงเกี่ยวกับตัวของพวกเราความจริงหรือความรู้เกี่ยวกับตัวของพวกเรานี้ เป็นความรู้ที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงความรู้ที่เรารู้กันอยู่นี้เช่นรู้ว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราเป็นของเราอันนี้ไม่ใช่เป็นความจริงพระพุทธพระธรรมพระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกท่านรู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเรา เราของเราคือจิตใจผู้รู้ผู้คิดที่เราไปคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเราคิดว่าร่างกายเป็นผู้คิดเป็นผู้รู้อะไรต่างๆเราก็เลยคิดว่าร่างกายนี้เป็นเราแต่ความจริงแล้วผู้รู้ผู้คิดกับร่างกายนี้ เป็นคนละคนกันเป็นคนละส่วนกันผู้รู้ผู้คิดนี้เป็นเราเราเป็นผู้รู้ผู้คิดผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆตามความต้องการของเราอันนี้เป็นความจริงที่พวกเราไม่รู้กัน ทำให้พวกเรานี้ต้องมาทุกข์มาวุ่นวายมาเดือดร้อนกับความเป็นไปต่างๆของร่างกายที่ไม่ใช่เป็นตัวเราไม่ได้เป็นของเราแต่เราไปหลงคิดว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเราจึงรักและหวงร่างกายของเราเป็นอย่างมาก ความรักความหวงนี้เลยทำให้ใจของพวกเราต้องทุกข์ต้องวุ่นวายต้องกังวลต้องวิตกต้องห่วงใยร่างกายของเราอยู่ตลอดเวลานี่แหละคือความหลงผิดที่เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิไม่เห็นตามความเป็นจริง ผู้ที่เห็นตามความเป็นจริงก็คือพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายผู้ที่ได้ศึกษาได้ค้นคว้าได้วิจัยจนได้พบความจริงว่าผู้รู้ผู้คิดกับร่างกายนี้เป็นคนละคนกันเราอยู่กับผู้รู้ผู้คิดเราไม่ได้อยู่กับร่างกาย ผู้รู้ผู้คิดนี้เป็นเราร่างกายนี้ไม่ได้เป็นเราแต่เราไม่สามารถมองเห็นผู้รู้ผู้คิดได้ด้วยตาของร่างกายเพราะว่าผู้รู้ผู้คิดนี้ไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับร่างกายไม่มีขนาดสูงเตี้ยอ้ออวนผอมอ ไม่มีเพศไม่มีหญิงไม่มีชายเหมือนกับร่างกายเราเลยไม่รู้จักร่างเราเลยไม่รู้จักตัวเราเราไม่รู้จักผู้รู้ผู้คิดที่เราเรียกว่าจิตใจมีพระพุทธเจ้าและพระอริยงสงสาวกเท่านั้นที่สามารถรู้ได้เพราะท่านได้ศึกษา ท่านได้คน้นคว้าท่านได้วิจัยจนเห็นชัดว่าร่างกายกับจิตใจนี้เป็นคนละคนกันพระพุทธเจ้ากับพระอริยสงสารโลกนี้ก็เป็นเหมือนกับพวกนักวิทยาศาสตร์นักดาราศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าโลกนี้ไม่แบนโลกนี้กลม สมัยโบราณนี้คนส่วนใหญ่จะคิดว่าโลกนี้แบนเหมือนโต๊ ะ, ะเวลานั่งเรือออกไปทะเลก็ไม่กล้าไปสุดขอบทะเลเพราะกลัวจะตกออกจากโลกไปเหมือนกับเรือที่ไหลไปในแม่น้ำที่ไปสุดขอบแม่น้ำก็จะกลายเป็นน้ำตก ก็เลยไม่มีใครกล้าที่จะออกเรือไปไกลๆไม่กล้าไปสู่ขอบของทะเลกลัวว่าเดี๋ยวไปถึงขอบทะเลแล้วจะตกออกนอกโลกไปไม่สามารถกลับบ้านกลับไปหาลูกหาเมียได้อันนี้ก็เป็นความเห็นผิดแต่ ถ้าเห็นด้วยตาเปล่าไม่เห็นด้วยความคิดด้วยปัญญาเหมือนกับพวกนักดาราศาสตร์นักวิทยาศาสตร์เราก็จะเห็นว่าโลกนี้มันแบนแต่สําหรับนักวิทยาศาสตร์นักดาราศาสตร์นี้เขามีเครื่องมือที่จะพิสูจน์ว่าโลกนี้มันกลมไม่แบน นักดาราศาสตร์เขาก็มีกล้องที่เขาดูดวงดาวดวงเดือนต่างๆซึ่งเขาดูแต่และดวงเดงือนดวงดาวก็กลมทั้งนั้นไม่มีแบนแล้วโลกนี้จะมาแบนอยู่คนเดียวโลกเดียวได้อย่างไรแล้วเขาก็มีวิธีพิสูจน์ว่าผิวโลกนี้มันโคง้งมันเวา้ามันกลมเพราะว่าเวลาเรือ ที่เข้ามาจากทะเลเข้ามาสู่ฝั่งคนที่อยู่ฝั่งจะเห็นตัวเรือจะเห็นส่วนของส่วนที่สูงของตัวเรือก่อนเช่นเห็นเสาธงแล้วถึงค่อยเห็นค่อยเห็นตัวเรือตามลำดับถ้าเป็นถ้าถ้าผิวน้ามันแบนเรียบมันก็ต้องเห็นพร้อมกันหมดทั้งลำ เห็นทั้งตัวเรือเห็นทั้งเสาธงแต่เวลาเรือที่วิ่งเข้ามาจากทะเลเวลามองไปนี่จะเห็นส่วนที่สูงของเรือก่อนแล้วค่อยค่ยเห็นส่วนที่ต่ำลงมาจนถึงเห็นตัวเรือต่อไปนั่นก็แสดงว่าออผิวน้ำทะเลมันไม่เรียบ มันโคง้งมันเ ว, ว้าเหมือนเหมือนภูกเขาเหมือนคนขี่ม้าข้ามเขามาเวลาเห็นคนขี่ม้าข้ามเขามานี้จะไม่ได้เห็นทั้งมา้าทั้งคนพร้อมๆกันจะเห็นคนขี่ก่อนแล้วค่อยเห็นตัวมา้าเพราะว่าอผิวของดิดนั้นมันโคง้งเหมือนว้าวผิวของเขานี่มันเ ว, ว้า มันเลยทําให้เห็นส่วนที่สูงก่อนแล้วถึงค่อยเห็นส่วนที่ต่ําเขาก็เลยพิสูจน์ว่าโลกนี้มันกลมเพราะผิวโลกนี้มันโคง้งมันเว้าไปแต่มันใหญ่โตมากมันเลยทําให้เรา <c oughs> พวกเราตัวเล็กๆ เ, เหมือนอเหมือนตัวมดเนี่ที่อยู่บนผิวแตงโมอยู่บนลูกแตงโมนี้อาจจะเห็นว่ามันเป็นผิวเรียบราบ อันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบระหว่างคนที่เห็นความจริงรู้ความจริงกับคนที่ไม่เห็นความจริงรู้ความจริงก็จะมีความเข้าใจไม่เหมือนกันคนที่รู้ความจริงก็จะไม่มีความกลัวเวลานั่งเรือออกไปสุดขอบทะเลก็รู้ว่าไม่มีวันที่จะตกออกนอกโลกเพราะผิวทะเล มันก็จะโค้งว้าวไปเป็นวงกลมส่วนคนที่ไม่รู้คนที่คิดว่าโลกนี้แบนก็จะไม่กลัวเวลานั่งเรือออกไปไกลๆ ก, กลัวว่าจะตกออกจากขอบทะเลไปอันนี้ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกนี่ท่านรู้เรื่องของร่างกาย กับเรื่องของตัวท่านว่าเป็นคนละคนกันพระพุทธเจ้าพระสาวกนี่รู้ว่าตัวท่านคือจิตใจส่วนร่างกายนี้เป็นตุกตาตัวหนึ่งที่จิตใจได้มาอาศัยใช้เป็นเครื่องมือพาจิตใจไปไหนมาไหน ความจริงจิตใจกับร่างกายนี้อยู่กันคนละโลกจิตใจร่างกายนี้อยู่ในโลกนี้โลกที่ร่างกายอยู่นี้เราเรียกว่าโลกธาตุเพราะเป็นโลกที่ประกอบขึ้นด้วยธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟสิ่งต่างๆที่อยู่บนโลกนี้ทั้งหมดนี้ทำมาจากธาตุทั้งสี่ มีธาตุดินธาตน้ำธาตลมธาตไฟเวลามารวมกันก็ทำให้เกิดต้นไม้ใบหญ้าขึ้นมาต้นไม้ถ้าไม่มีดินไม่มีน้ำไม่มีลมไม่มีไฟครบทั้งสี่ส่วนก็จะเติบโตขึ้นมาไม่ได้เช่นในทะเลทรายนี้มีดินมีลมมีไฟแต่ไม่มีน้ำ ต้นไม้ก็เลยโตขึ้นมาไม่ได้แต่ที่ไหนถ้ามีทั้งดินทั้งน้ําทั้งลมทั้งไฟพร้อมบริบูรณ์ที่นั่นก็จะมีต้นไม้มีหญ้ามีแล้วก็มีร่างกายของมนุษย์ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานปรากฏขึ้นมาได้ส่วนใจนี้เวลามาอยู่กับร่างกายเราก็เรียกว่าจิตใจ ใจนี้เป็นอีกธาตุหนึ่งที่เรียกว่าธาตุรู้ร่างกายนี้เรียกว่าธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเพราะร่างกายนี้ทำมาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟดินก็คือพวกอาหารที่เรารับประทานเข้าไปข้าวก็ทำมาจากดินส่วนน้ำก็คือน้ำที่เราดื่มหรือน้ำที่มากับอาหาร ลมลวก็หายใจเข้าออกอยู่ตลอดเวลาธาตุไฟก็คือความร้อนที่เราได้รับจากแสงอาทิต ย, ย์และความร้อนที่ร่างกายผลิตขึ้นมาจากการาผสมของธาตุทั้งสี่ที่เ็้าไปรวมกันในร่างกายแล้าน้ำเข้าไปในร่างกายเราดินเข้าไปในร่างกายเรวารมเข้าไปในร่างกายดินน้ำ ลมเมื่อมันมารวมกันมันก็จะผลิตความร้อนขึ้นมาในร่างกายนี่คือร่างกายเรียกว่าธาตุสี่ส่วนใจนี้เรียกว่าธาตุรู้เป็นธาตุที่ห้าที่มาเกาะติดกับธาตุสี่คือร่างกายจิตใจหรือธาตุรู้นี้ไม่ได้อยู่ในร่างกาย จิตใจหรือธาตุรู้นี้อยู่อีกโลกหนึ่งเราเรียกว่าโลกทิพย์หรือโลกของจิตวิญญาณ <Yeah. S 1> เวลาที่ร่างกายกับธาตุรู้คือจิตใจนี้แยกจากแยกจากกัน <Yeah. S 1> เช่นเวลาที่ร่างกายตายไปธ <Yeah. S 1> าตุรู้นี้ <Yeah. S 1> ก็จะอยู่ในอยู่ในโลกทิพย์ <Yeah. S 1> คืออยู่ในโลกทิพย์ตลอดเวลา จะขาดการรับรู้เรื่องที่เกิดขึ้นในโลกกรธาตุเพราะว่าธาตุรู้หรือจิตตวิญญาณ น, นี้อาศัยร่างกายเป็นเหมือนกับผู้ที่ไปรับรู้เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในโลกนี้พูกง่ายๆก็เปรียบเหมือนกับร่างกายนี้เป็นเหมือนผู้สื่อข่าวที่ไป ทำข่าวตามที่ต่างๆแล้วก็รายงานกลับมาที่สถานีวิทยุหรือสถานีทีวีว่ า, าได้ไปที่นั่นที่นี่ได้เห็นนูน่นเห็นนั่นเห็นนี่แล้วก็รายงานกลับมาที่สถานีาให้สถานีพวกรับรู้ว่ามีข่าวสารอะไรแล้วก็กระจายข่าวสารนั้นให้แก่ผู้อื่นต่อไปอใจนี้ก็เป็นเหมือนสถานี ที่ส่งผู้สื่อข่าวคือร่างกายไปตามไปตามสถานที่ต่างๆแล้วก็ร่างกายนี้ก็จะส่งข้อมูลต่างๆกลับมาที่ใจส่งรูปส่งเสียงส่งกลิ่นที่ร่างกายไปรับมาร่างกายนี้มีที่รับข้อมูลอยู่ห้าช่องด้วยกันคือตาหูจมูกลิ้นกายตานี้ก็รับ ข้อมูลเกี่ยวกับรูปภาพต่างๆหูก็รับข้อมูลเกี่ยวกับเสียงต่างๆจมูกก็รับข้อมูลเกี่ยวกับกลิ่นต่างๆดินก็รับข้อมูลเกี่ยวกับรสต่างๆร่างกายก็รับข้อมูลเกี่ยวกับสัมผัสที่มาสัมผัสกับร่างกายเช่นอากาศหนาวอากาศร้อนหรือของแข็งของนุ่มที่มากระทบกับร่างกาย แล้วร่างกายก็จะส่งไปที่ใจใจจะมีกระแสมารับเป็นเหมือน ก, กระแสวิทยุที่เราใช้เครื่องมือโทรศัพท์มือถือติดต่อกันเราอยู่กันคนละที่แต่เราสามารถสื่อสารกันได้เพราะเรามีกระแสวิทยุของเครื่องโทรศัพท์มือถือร่างกายก็ส่งข้อมูลต่างๆไปหาใจ ด้วยกระแสของของดวงของวิญญาณกระแสรับรู้ของใจเรียกว่าวิญญาณใจอยู่ในโลกทิพย์ร่างกายนี้อยู่ในโลกกธาตุแล้วใจก็ส่งกระแสรับรู้เรียกว่าวิญญาณมาเกาะที่ตาหูจมูกลิ้นกายพอตาเห็นรูปปับก็ส่งรูปไปที่ ใจทันทีผ่านกระแสวิญญาณกระแสวิญญาณนี้จะรับรูปส่งไปให้ที่ใจผู้รู้อีกทีหนึ่งพอรับรูปแล้วใจก็คิดว่ารูปนี้เป็นอะไร ถ, ถ้าจาได้ก็รู้ว่า เ, ออเป็นคนนั้นคนนี้ถ้าไม่เคยเห็นมาก่อนไม่เคยจาได้ก็ไม่รู้เมื่อไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดี แต่ถ้ารู้ก็จะจาได้ว่าดีหรือไม่ดีเพราะรูปที่จาได้นี้มันมีทั้งดีและไม่ดีถ้าจะรูปที่ดีก็จะเกิดความรู้สึกดีขึ้นมามีความสุขใจขึ้นมาเช่นเห็นเงินนี่เกิดความสุขใจขึ้นมาเวลาไปกดเงินในตู้เอเอมออกมานี่พอเห็นเงินนี้ใจก็เกิดความสุขขึ้นมาเพราะใจรู้ว่าเงินนี้มันดี แต่ถ้าไปเห็นเจ้านี้ใจก็จะรู้สึกไม่ดีขึ้นมาทันทีเพราะรู้ว่าเจ้านี้จะมาทวงนี้น่่งกายนี้ไม่ได้เป็นผู้รู้สึกผู้ที่รู้ผู้ที่คิดผู้มีความสุขหรือความทุกข์นี้คือใจร่างกายเป็นเพียงผู้สื่อข่าวเป็นผู้รับข้อมูลส่งไปให้ใจอีกทีหนึ่ง พอใจได้รับข้อมูลแล้วก็สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่อไปเช่นถ้ากดกดตู้ ATM เงินออกมาปั๊บก็สั่งเอาเอาเงินใส่กระเป๋าซะผู้รู้ผู้คิดก็จะเป็นผู้สั่งร่างกายให้เป็นผู้กระทำอะไรต่างๆตามที่ผู้รู้ผู้คิดต้องการอันนี้นี่คือการทำงานร่วมกันระหว่าง ร่างกายคือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟที่มาประกอบกันเป็นอาการสามสบสองมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อมีอวัยวะต่างๆนี้ทำมาจากธาตุสี่ทำมาจากอาหารที่เรากินเข้าไปน้ำที่เราดื่มเข้าไปลมที่เราหายใจเข้าไปและความร้อนความร้อนที่เราได้รับจากดวงอาทิตย์จากแสงแดด และจากอาหารที่เรารับประทานเข้าไปทำให้ร่างกายเราอยู่ได้ทำให้ร่างกายเราทำหน้าที่คือรับข้อมูลรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสที่มากระทบกับร่างกายได้ใจต้องอาศัยร่างกายถึงจะเห็นภาพได้ได้ยินเสียงได้ดมกลิ่นได้รีบรสได้ ผู้ที่รับข้อมูลนี้ไม่รู้เรื่องว่าตัวเองรับข้อมูลอะไรตาไม่รู้ว่าเห็นรูปอะไรหูไม่รู้ว่าได้ยินเสียงอะไรจมูกไม่รู้ว่าได้ดมกลิ่นอะไรผู้ที่รู้ว่าเป็นรูปอะไรเป็นเสียงอะไรเป็นกลิ่นอะไรคือใจแล้วก็ผู้ที่เสพคือมีความสุขกับรูปเสียงกลิ่นรสหรือมีความทุกข์กับรูปเสียงกลิ่นรสก็คือใจ ร่างกายมันไม่ทุกข์หรอกเวลามันได้ดมกลิ่นเหม็นๆมันไม่ทุกข์อ่ะแต่ผู้ที่ทุกข์ก็คือใจเวลาดมกลิ่นหอมๆร่างกายมันก็ไม่สุขผู้ที่สุขก็คือใจนี่คือการทำงานร่วมกันของร่างกายและจิตใจทำไมถึงต้องมาทำงานร่วมกันก็เพราะว่าใจนี้มีปัญหาใจไม่รู้ว่าความสุข มีอยู่สองแบบด้วยกันรู้เพียงความสุขแบบเดียวคือความสุขที่ได้ผ่านทางร่างกายใจก็เลยต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขแต่ทนี้การใช้ร่างกายหาความสุขก็มีปัญหาอีกเพราะร่างกายมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันไม่ถาวร มันมีการเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องมีการแก่มีการเจ็บมีการตายพอเวลามันแก่มันเจ็บมันตายมันก็สร้างปัญหาให้มันก็สร้างความทุกข์สร้างความไม่สบายใจให้กับใจเพราะอะไรเพราะใจรู้ว่าถ้าร่างกายมันไม่สบายก็จะไม่สามารถใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขได้นั่นเองอันนี้เป็นปัญหาของใจ ที่ใจเองไม่รู้จักวิธีแก้เกิดมากี่ครั้งได้ร่างกายมากี่ครั้งก็เจอปัญหาแบบเดิมๆพอได้ร่างกายมาตอนที่ยังไม่แก่ก็หลงกับมันใช้ร่างกายหาความสุขอย่างอย่างสนุกสนานอย่างเพลิดเพลินแต่พอมาถึงวัยชราเข้าทีนี้ก็เริ่มการหาความสุขก็จะลดน้อยลงไป ความทุกข์ของร่างกายมันก็จะโผล่ขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นจนทำให้ใจนี่บางทีไม่มีความสุขเลยมีแต่ความเศร้ามีแต่ความทรมานใจเพราะไม่สามารถทำอะไรตามความอยากได้ไม่สามารถหาความสุขตามที่เคยหาได้พอเวลาเข้าสู่ช่วงแก่ชราเจ็บไข้ได้ป่วยหรือจะตายนี่ ใจก็จะมีแต่ความทุกข์แล้วก็จะไม่อยากอยู่เสียด้วยซ้ําไปบางใจบางใจก็ทําลายร่างกายของตนเองไปเพราะว่าคิดว่าตายไปมันจะได้จบ ท, ทันทีเรื่องของความทุกข์ต่างๆแต่มันจบที่ร่างกายแต่ใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจที่มี ความอยากความต้องการที่จะหาความสุขผ่านทางร่างกายก็จะไปหาร่างกายอันใหมอ่อีกไปเกิดใหมอ่อีกและก่อนที่จะไปเกิดใจก็ต้องไปรับผลบุญผลบาปที่ได้ทําไว้ในขณะที่ใช้ร่างกายหาความสุขต่างๆเวลาเราหาความสุขทางร่างกายนี้บางทีเราก็ต้องหาโดยวิธีทําบาป เช่นเงินไม่พอใช้ก็บางทีก็ต้องไปขโมยเงินของคนอื่นมาใช้เราก็ไปทำบาปบาปนี้ก็มีผลกระทบต่อจิตใจเวลาที่ไม่มีร่างกายมันก็จะผลิตความทุกข์ให้กับจิตใจดวงวิญญาณที่มีความทุกข์เป็นผู้ ครอบครองจิตใจดวงวิญญาณก็เขียนเลกว่าเป็นพวกดวงวิญญาณที่อยู่ในอบายส่วนถ้ามีโอกาสบางทีเวลาที่มีร่างกายสามารถหาเงินหาทองได้มากกว่าที่ต้องใช้ก็เอาไปแบ่งให้ผู้อื่นใช้ก็ได้ทาบุญเวลาได้ทาบุญก็จะได้ความสุขใจเป็นสิ่งที่ อยู่กับใจเวลาไม่มีร่างกายดวงวิญญาณที่มีความสุขเราก็เรียกว่าพวกเทวดาทั้งหลายพอร่างกายตายไปดวงดวงจิตหรือดวงวิญญาณนี้ก็จะรับผลบุญผลบาปถ้าบาปมีมากกว่าบุญก็จะเป็นดวงวิญญาณที่มีความทุกข์ถ้าบุญมากกว่าบาปก็จะเป็นดวงวิญญาณที่มีความสุข ดวงวิ ญ, ญญาณที่มีความสุขก็เรียกว่าเทวดาดวงวิญญาณที่มีความทุกข์ก็เรียกว่าเปรตอสุรกายนรกเนี่นี่เป็นผลที่เกิดจากตอนที่มีชีวิตอยู่ตอนที่ใช้ร่างกายไปหาความสุขต่างๆบางทีก็ต้องทําบาปเพื่อที่จะได้ความสุขที่อยากได้ บางทีหาได้มามากก็แบ่งให้คนอื่นก็เลยมีการทําบุญทําบาปในขณะที่มีชีวิตอยู่และบุญกับบาปนี้ก็จะเป็นตัวทําให้จิตดวงวิญญาณเป็นเทวดาหรือเป็นเปรต เ, เ, เ, เป็นนรกไปในช่วงที่รอไปรับร่างกายอันใหม่เพราะในใจนี้ยังอยากได้ร่างกายอันใหม่เพราะยังอยากหาความสุข ผ่านทางร่างกายแล้วพอมีจังหวะได้ร่างกายก็จะมาเกิดใหม่มาได้ร่างกายอันใหม่แล้วก็มาคิดว่าตนเองเป็นร่างกายแล้วก็จะใช้ร่างกายนี้ไปหาความสุขอะไราตามที่เคยหาแล้วก็หาโดยแบบทําบุญหาโดยแบบทำบาปแล้วแต่โอกาสแล้วแต่เหตุการณ์อันนี้คือเรื่องของดวงวิญญาณ ดวงจิตดวงใจที่เป็นตัวเราที่เราไม่รู้กันเรามักจะคิดว่าเราเป็นร่างกายกันแต่ความจริงเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นดวงจิตด ว, วจดวงวิญญาณเวลามีร่างกายเราก็เรียกว่าจิตใจเวลาไม่มีร่างกายเราก็เรียกว่าดวงวิญญาณแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อย ตายพอร่างกายตายไปก็ไปเป็นดวงวิญญาณแล้วก็รอรับร่างกายอันใหม่ช่วงที่รอรับก็ไปเป็นเทวดาบ้างไปเป็นเปรตบ้างไปนรกบ้างแล้วขึ้นอยู่กับบุญกับบาปที่ได้ทำเอาไว้ก็จะเป็นอย่างนี้ไปไม่มีวันสิ้นสุดนะถ้าอยากจะรู้ว่าเรากลับมาเกิดกี่ครั้งแล้วพระพุทธเจ้าก็บอกว่าลองเอาน้าตาที่เราร้องไห้ทุกครั้งที่เรามาเกิดเนี่ย เรามาเกิดชาตินี้เราร้องไห้กันเปล่าเอาน้าตาที่เราหลั่งนี้มารวบรวมไว้ใส่ขวดไว้แล้วก็มารวมกันกับชาติอื่นๆแต่เอามารวมกับชาติอื่นๆที่เราเคยมาเกิดเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าน้ำตาที่เราหลั่งนี้มากกว่าน้ำในมหาสมุทรนั่นแหละคือปริมาณจํานวนของพบชาติของพวกเราที่เรามาเกิดแล้วมาร้องไห้กัน จะต้องมาเกิดกี่แสนล้านครั้งกันถึงจะร้องไห้มีน้ำตามากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรนี่คือเรื่องเรื่องความจริงของพวกเราที่เราไม่รู้กันถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนานี่เราจะคิดว่าเราเป็นร่างกายแล้วพอร่างกายตายไปก็จบแต่มันไม่จบเพราะเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นดวงจิตดวงใจ ที่จะเป็นดวงวิญญาณเวลาที่ไม่มีร่างกายแล้วก็ไปรับผลบุญผลบาปถ้าเราอยากจะรู้ว่าผลบุญผลบาปเป็นยังไงก็ดูตอนที่เรานอนหลับนะเวลานอนหลับเราก็เหมือนคนตายใช่ร่างกายก็เหมือนคนตายร่างกายนอนเฉยๆแต่ใจมันก็จะเป็นผู้ที่จะรับผลบุญผลบาปในช่วงที่ร่างกายนอนหลับ ถ้านอนหลับฝันดีก็แสดงว่าใจมีบุญมากกว่าบาปบุญจึงเป็นตัวทำให้ฝันดีถ้านอนหลับแล้วฝันร้ายนี่แสดงว่าบาปมันมีมากกว่าบุญในใจเรานั่นแหละคือการเสบบุญเสบบาปของใจเวลาที่ไม่มีร่างกาย เวลาที่เราไม่มีร่างกายนี้เราจะเหมือนกับอยู่ในโลกของความฝันถ้าเรามีบุญบุญก็จะผลิตความฝันที่ดีให้เราเสพกันถ้าบุญมีน้อยกว่าบาปบาปมีมากกว่าบุญบาปก็จะผลิตเรื่องไม่ดีต่างๆให้เราได้เสพกันนี่คือช่วงที่ไม่มีร่างกายเช่นตอนที่นอนหลับหรือตอนที่ร่างกายตายไป ใจไม่สามารถเสพความสุขผ่านทางร่างกายได้ก็เลยต้องอาศัยการเสพความสุขผ่านบุญและบาปไปอันนี้ก็ควบคุมบังคับไม่ได้จะสั่งให้ฝันดีไม่ได้ไม่ให้ฝันร้ายไม่ได้ฝันดีหรือฝันร้ายอยู่ขึ้นอยู่กับบุญหรือบาปที่เราทำกันพอเวลาไม่มีร่างกายบุญกับบาปก็จะมาทำหน้าที่ผลิตรายการให้เราชมกัน ถ้าบาปเป็นผู้ผลิตรายการก็จะปีนแนเรื่องหวาดเสียวหวาดกลัวต่างๆเรื่องทุกข์ทรมานต่างๆแต่ถ้าบุญเป็นผู้ผลิตรายการบุญก็จะผลิตแต่เรื่องหวานๆเรื่องสุขเรื่องสบายต่างๆให้เสพสัมผัสกันแล้วก็รอไปจนถึงเวลาที่ได้รับร่างกายอันใหม่เราถึงจะมาใช้ร่างกายเป็นตัวผลิตรายการให้กับเรา นี่คือการทํางานของร่างกายกับบุญกับบาปร่างกายบุญและบาสนี้เป็นตัวผลิตรายการต่างๆให้ใจเสพเวลาที่มีร่างกายเราก็ใช้ร่างกายเป็นผู้ไปผลิตรายการต่างๆพาเราไปท่องเที่ยวเห็นไหมรายการท่องเที่ยวพาเราไปกินพ า, าพาเราไปดื่มพาเราไปดูพาเราไปฟังอะไรต่างๆอันนี้ตอนนี้เรามีร่างกาย เราก็สามารถทำได้จะทำได้มากได้น้อยก็ขึ้นอยู่ความสามารถในการหาเงินหาทองหาเงินมากก็สามารถที่จะหาความสุขผ่านทางร่างกายได้มากหาได้น้อยก็หาความสุขผ่านทางร่างกายได้น้อยอันนี้คือเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดของจิตวิญญาณของพวกเรา ได้ร่างกายมาแต่ละครั้งก็เก็บไว้ได้ไม่เกินร้อยปีะพอร้อยปีไปมันก็ตายไปก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่แล้วก็กลับมาทำเหมือนเดิมเนี่ยเราทำแบบที่เราทาอยู่ทุกวันนี้มาไม่รู้กี่แสนล้านครั้งแล้วเพียงแต่เราจบไม่ได้เท่านั้นเองเราเลยไม่รู้ว่าเรามีอดีตอันยาวนานและจะมีอนาคตแบบนี้อีกยาวนาน ถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแต่ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้พบกับพระพุทธเจ้าโดยตรงหรือได้พบกับพระอริยสงสาวกหรือได้พบกับพระธรรมคําสั่งคําสอนที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกเราก็จะได้เรียนรู้เรื่องที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกได้รู้กัน คือท่านได้รู้ว่าร่างกายกับดวงวิญญาณนี้เป็นคนละคนกันและดวงวิญญาณนี้ไม่จาเป็นจะต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขก็ได้ดวงวิญญาณหรือจิตใจนี้สามารถหาความสุขในตัวเองได้ในตัวเองของดวงวิญญาณนี้มีความสุขที่ดีกว่ารออยู่แล้วเพียงแต่ว่าดวงวิญญาณหรือดวงจิตนี้ไม่รู้จักความจริงอันนี้เท่านั้นเอง ก็เลยต้องไปหาความสุขผ่านทางร่างกายกันแล้วก็ต้องมาทุกกับร่างกายทุกครั้งที่มีร่างกายทุกวันนี้เราทุกกับอะไรถามจริงๆเราทุกกับร่างกายหรือเปล่าเดินขึ้นมาก็ทุกข์นึต้องเข้าห้องบรรเทาทุกข์นะต้องเข้าห้องซ่วมนะเห็มไหร่างกายมันทุกข์แล้วเพราะเข้าห้องส่วมเสร็จมันก็หิวอีกแล้วต้องหาน้ให้มันเดือดเองนะหาข้าวให้มันกินเองนะ เดี๋ยวมันก็ร่างกายมันก็ส ก, กรปรกอ่ะก็ต้องอาบน้ําให้มันอีกละผมส ก, กรปรกก็ต้องอซักผมอ่าต้องนีต้องสะผมอีกแล้วะเราทุกกับร่างกายตลอดเวลาร่างกายนี้มันมีแต่เรื่องของความทุกข์ให้เราต้องมาคอยดูแลคอยบรรเทาทุกข์อยู่เรื่อยๆ เ, เดี๋ยวก็หิวน้ําเดี๋ยวก็ หิวขนมหิวกาแฟหิวอะไรต่างๆไปต้องคอยหามาให้มันพอาพอขาดไม่ได้พอขาดอะไรเกิดขึ้นก็ความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาทุกขทั้งกายแล้วยังก็เทินไปถึงใจด้วยทุกข์บางอย่างก็เป็นทุกข์ของใจล้วนๆใจผลิตขึ้นมาเองทุกข์บางอย่างก็เป็นทุกข์ของร่างกายทุกข์ของร่างกายก็คือเวลาร่างกายขาดปัดจจัยสี่ขาดอาหารขาดน้ำ ขาดยารักษาโรคเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้เป็นความทุกข์ของกายส่วนความทุกข์ของใจก็เกิดจากความอยากอยางเสบรูปเสียงกลิ่นรสเวลาอยากดูอะไรถ้าไม่ได้ดูเราก็รู้สึกหงดจิต เคยดูละครพอถึงเวลาดูละครติดทุเละดูไม่ได้ก็ไม่สบายใจแล้วไม่ได้ติดตามละครกำลังเข้าได้เข้าเข็มอยู่พอดีใจก็รู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาอันนี้เป็นทุกข์ทางใจทุกข์ของใจทุกข์ของใจเกิดจากการอยากเสบรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแล้วไม่ได้เสบรู้ได้เสบรูปเสียงกลิ่นรสที่ไม่ชอบอยากใจไปกินอาหาร ไปพอดีร้านอาหารเขาทำอาหารผิดมาให้เรากินกินแล้วไม่อร่อยก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอันนี้เป็นมีความทุกข์สองอย่างแต่ที่เราพูดถึงนี้เราพูดถึงความทุกข์ทางร่างกายคือเวลาร่างกายขาดแคลนอะไรมันก็มันก็สร้างความทุกข์ให้กับเราอันนี่คือผลที่เกิดจากการที่เรามามีร่างกายเราจะต้องมาพบกับความทุกข์ของร่างกาย ทุกขกับความหิวต่างๆความต้องการของร่างกายต่างๆแล้วก็ไปทุกขตอนที่มันแก่มันชราเห็นมเวลาจะให้มันพาเราไปไหนทีมันไปแบบช้าๆไม่ทันใจเมื่อก่อนเป็นหนุ่มเป็นสาวกระโดดโลดเต้นได้ตอนนี้ตอนแก่เลาจะกระโดดโลดเต้นเหมือนตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ทำไม่ได้มันก็เลยไม่สนุกสนานเหมือนกับสมัยตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาว นอกจากนั้นเวลาแก่มันยังเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้เจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บเอวเจ็บไหล่เจ็บคอเจ็บไปทั่วสพางร่างกายแล้วก็เริ่มมีอาการเจ็บไข้ได้ปวด่วยทางภายในเดี๋ยวเป็นโรคหัวใจเป็นโรคไตโรคตับอันนี้ก็เป็นความทุก์จากการที่มีร่างกายได้ร่างกายมาแล้วเวลาที่มันจะตายก็ทุกข์อีก แล้วขณะที่ไม่ตายก็ไปทุกข์แต่นี่เป็นทุกข์ทางใจเพราะว่าเราไม่อยากให้มันตายเราก็จะอยู่อย่างวิตกกังวลมันจะตายเมื่อไหร่มีอะไรจะมาเกิดขึ้นกับมันเมื่อไหร่เพราะเราเห็นคนตายได้ทุกวัยใช่ไหมคนเราอยู่ดีๆอ ย, ยู่ดีๆก็ตายไปได้อยู่ดีๆเดินไปโดนมะพร้าวหลนใส่ถ้าหัวก็ตายได้ โดนไปโดนงูกัดก็ตายได้เดินข้ามถนนโดนรถชนก็ตายได้เมื่อเราเห็นความตายของร่างกายมันสามารถเกิดได้ทุกเวลามันก็ทำให้ใจเราไม่สบายใจมีความทุกข์กับร่างกายเพราะเราไม่อยากให้ร่างกายตายเพราะถ้าเราไม่มีร่างกายเราจะไม่สามารถหาความสุขได้นั่นเองอันนี้ แต่ถ้าเราได้มาเรียนรู้จากพร ะ, พพระธรรมพระสงฆ์ท่านบอกว่าเราสามารถหาความสุขอีกแบบหนึ่งได้ความสุขที่เราไม่ต้องใช้ร่างกายความสุขที่เกิดจากการมาทำใจของเราให้สงบเท่านั้นเองใจของเราตอนนี้ไม่เคยสงบเลยใจของเรานี้คิดอยู่ตลอดเวลาถ้าเราสามารถหยุดความคิดได้เราจะพบกับความสุขอีกแบบหนึ่ง ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้ผ่านทางร่างกายต่อให้เห็นรูปสวยขนาดไหนได้ยินเสียงน่าภพเราะขนาดไหนก็สู้ความสุขที่ได้จากการทำใจให้สงบไม่ได้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่านัติสันติปรังสุขขังสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีอันนี้แหละเป็น ความสุขที่พระพุทธเจ้าเป็นคนค้นพบเป็นคนแรกเมื่อได้ส่งค้นพบแล้วก็นำเอามาบอกพวกเราว่าเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันดีกว่าวิธีเราหากันตอนนี้มันเป็นการหาความทุกข์เสียมากกว่ า, าลองจดบัญชีดูเสียว่าวันหนึ่งนี้เราสุขกี่กี่นาทีแล้วเราทุกข์กี่นาทีรับประกันได้ว่าเราจะทุกข์มากกว่าความสุข ทุกข์กับเรื่องนั้นเรื่องนี้กังวลกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เป็นความทุกข์ละไม่พอใจกับคนนั้นคนนี้ก็เป็นความทุกข์ละเสียใจกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เป็นความทุกข์ละห่วงห่วงคนนั้นห่วงคนนี้ก็เป็นความทุกข์ละเกลียดคนนั้นเกลียดคนนี้ก็เป็นความทุกข์ละรักคนนั้นรักคนนี้ก็เป็นความทุกข์ละรักก็หึงก็ห่วงใช่ไหมพอหึงมันก็ทุกข์ละพอห่วงมันก็ทุกข์อีกแล้ะ ถ้าเราลองจดบัญชีดูในวันวันหนึ่งเนี่ยเราสุขกี่นาทีแล้วเราทุกข์กี่นาทีกันถ้านี้คือวิธีการหาความสุขของเราผ่านทางร่างกายมันจะต้องเจอความทุกข์แบบนี้ก่อนทุกคน แต่ถ้าเรามาหาความสุขจากการทาใจของเราให้สงบได้นี้เราจะไม่มีความทุกข์แบบนี้เลยเพราะ <K al anyway> like เราไม่ต้องกังวลเกี่ยวเรื่องของร่างกายเราไม่ต้องกังวลกับสิ่งต่างๆที่ร่างกายหามาได้ที่เอามาใช้เป็นเครื่องมือหาค่าให้ความสุขกับเราเพราะเราไม่ต้องใช้สิ่งเหล่านี้ไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องใช้เงินทองไม่ต้องใช้รูปเสียงกลิ่นรสไม่ต้องใช้คนนั้นคนนี้ ไม่ต้องใช้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ต้องใช้สถานที่นั้นสถานที่นี้ไม่มีปัญหาเลยถ้าเราได้พบกับความสุขที่เกิดจากความสงบอันนี้แหละเป็นสิ่งเดียวเป็นจริงจริงที่พวกเราไม่รู้กันอันนี้แหละเป็นตัวที่จะมาแก้ปัญหาให้กับเรา แก้ปัญหาคือความทุกข์ต่างๆที่เรามีกันอยู่ในปัจจุบันนี้ถ้าเราเลิกใช้ร่างกายได้เ ล, เลิกใช้สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในเลกนี้เป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเราได้เราก็จะไม่ทุกข์กับมันมันจะมีก็ไม่มีก็ไม่เดือดร้อนมันจะอยู่กับเราหรือไม่อยู่กับเราก็ไม่เดือดร้อนมันจะทำให้เราพอใจหรือไม่พอใจเราก็ไม่เดือดร้อน เพราะเราไม่ต้องใช้เขาแล้วถ้าเรามีความสุขที่เกิดจากความสงบนี่แหละคือทําไมเราจึงต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์เพราะไม่มีใครในโลกนี้ที่รู้จักวิธีหาความสุขที่เกิดจากความสงบนี้มีพระพุทธเจ้าและพระอริยรสงสาวกเท่านั้น ท่านเป็นผู้ที่ค้นพบและได้ปฏิบัติถึงพระพุทธเจ้าเป็นคนแรกที่ได้ค้นพบความสุขภายในใจที่เป็นแบบถาวรยุคก่อนพระพุทธเจ้าก็มีพวกเลือสีฉีไพที่เขาก็หาความสุขจากความสงบได้แต่เป็นแบบชั่วคราวคือเรียกว่าแบบสมาธิ เวลาเราทำใจให้สงบแบบสมาธิเวลาเราเข้าสมาธิเราก็จะพบกับความสุขที่เกิดจากความสงบแต่เราไม่สามารถอยู่ในสมาธิได้ตลอดเวลาพอออกจากสมาธิมากลับมาสู่ร่างกายก็เริ่มมาทุกกับร่างกายทันทีอันนี้แต่ถ้าแต่พระพุทธเจ้านี่ทรงคนพบวิธีว่าเวลาออกจากสมาธิมาแล้ว จะทำให้ใจไม่ทุกได้จะทำให้ใจไม่เดือดร้อนกับร่างกายไม่เดือดร้อนกับสิ่งต่างๆได้เพราะพระพุทธเจ้าทรงคนพบว่าสาเหตุที่ทำให้ใจเราทุกนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือความอยากที่มีอยู่ในใจนั่นเองความอยากต่างๆอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอเห็นร่างกายปั๊บมันก็อดคิดไปไดาวต่อไปจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพอคิดปั๊บมันก็ไม่สบายใจขึ้นมา ทุขแล้วถึงแม้เพิกออกมาจากสมาธิใหม่ๆอยู่ในสมาธินี้สบายมีความสุขพอกลับมาอยู่กับร่างกายปั๊บก็อดคิดไม่ได้ว่าร่างกายนี้เดี๋ยวมันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพอคิดปั๊บก็ไม่สบายใจแล้วก็ไม่มีใครรู้ใ น, ในสมัยนั้นก่อสมัยก่อนที่พระพุทธเจ้าจะทรงตัดจารุก็ไม่มีใครรู้ว่าทําไมต้องไม่มาต้องไม่สบายใจไปกับร่างกายด้วย ไม่มีใครสามารถที่จะแก้ปัญหานี้ได้มีพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ส่งคนเพราบว่าความทุกข์ของใจนี้ก็เกิดจากความอยากของใจนั่นเองอยากให้ร่างกายมันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่พอคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายมันก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีเพราะไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไข้ได้ป่วยไม่อยากตายกัน อันนี้ไม่มีใครรู้มีพระพุทธเจ้าที่ทรงรู้ที่ทรงค้นพบว่าสาเหตุที่ใจของเราไม่มีความสุขไม่มีความสงบเวลาที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิก็เพราะว่าเราผลิตความอยากต่างๆขึ้นมาเราอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสพอเราไม่ได้เราก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาหรือได้มาแล้วพอเสียไปเราก็เกิดความทุกข์ขึ้นมา เพราะเวลาเราได้อะไรมาที่ดีที่ให้ความสุขกับเราเราก็อยากเก็บไว้ให้อยู่กับเราไปนานๆเราก็ไม่อยากให้เขาจากเราไปแต่สิ่งต่างๆที่เราได้มาไม่ช้าก็เร็วเขาก็ต้องจากเราไปเพราะนี่มันเป็นธรรมชาติ ของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นข้าวของเงินทองไม่ว่าจะเป็นตำเป็นยศเป็นตาแหน่งอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นรางวี่รางวัลต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปเวลาไปมันก็ทาให้เราเสีย อ, อกเสียใจ เพราะเราไม่อยากให้มันไปพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าไม่อยากจะทุก์กับการสูญเสียสิ่งต่าง ๆ, ๆก็อย่าไปอยากให้ไม่สูญเสียอย่าไปอยากให้มันไม่ไปปล่อยมันไปสิเมื่อเราห้ามมันไม่ได้เราจะไปทุกข์กับมันทาไมมันอยากจะอยู่ก็อยู่ที่เราทุกข์เพราะว่าเราต้องอาศัยมันให้ความสุข แต่ถ้าเราสามารถหาความสุขจากความสงบได้เราก็ไม่ต้องอาศัยมันทุกครั้งที่เราอยากจะมีความสุขเราก็เข้าไปในสมาธิแทนเท่านั้นเองต่อไปเราก็ตัดความอยากต่างๆได้หมดตัดความอยากได้ก็จะตัดความทุกข์ตัดความกังวลตัดความห่วงใยตัดความหึงหวงตัดความวุ่นวายใจต่างๆได้หมด อันนี้แหละไม่มีใครรู้มีแต่พระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้คนแรกเนี่ยเีย่การตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าก็ตัดสรู้ตรงนี้รู้ว่าทําไมใจจึงไม่มีความสุขเวลาที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิก็ส่งคนพราะว่ามันเพราะความอยากในใจเองอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสอยากรักษามันอยากให้มันอยู่กับเราเป็นนานๆอยากได้นู่นอยากได้นี่พอได้มาแล้วก็อยากจะให้มันอยู่กับเราเป็นของเราเป็นานๆ แต่มันไม่มีอะไรที่จะเป็นอะไรของเราไปได้นานๆทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเกิดมีดับมีเจริญมีเสื่อมมีมามีไปฉะนั้นต้องไม่ฝืนความจริงถ้าเห็นความจริงแล้วก็ต้องยอมรับความจริงยอมไม่มันดับเวลามันเกิดแล้วมันต้องดับเวลามันจรินแล้วเดี๋ยวมันต้องเสื่อมเวลามันมาแล้วเดี๋ยวมันต้องไป ถ้าเราไม่มีความอยากให้มันไม่ไปไม่เสื่อมไม่ดับเราจะไม่ทุกเวลาเขาเสื่อมเวลาเขาดับเวลาเขาจากเราไปแล้วเราใจจะไม่ใจเราจะมีความสุขตลอดเวลาเพราะไม่มีความอยากมาสร้างความทุกข์ให้กับใจเราก็ไม่ต้องเข้าสมาธิก็ได้ถ้าเราสามารถ ชำระความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจนะผู้ที่ชำระความอยากให้หมดสิ้นไปจากใจด้วยปัญญาด้วยความรู้อันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าแล้วต่อมาท่านก็เอามาสอนผู้อื่นผู้ที่นำเอาไปปฏิบัติไปเอาคาความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หายไปหมดก็สามารถที่จะมีความสุขเหมือนกับพระพุทธเจ้าหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้หมด อันนี้แหละเป็นเรื่องของการที่เราต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์ถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะไม่มีพระพุทธเจ้าอยู่แล้วก็ตามแต่เรายังมีตัวแทนของพระพุทธเจ้าอยู่สองตัวแทนด้วยกันคือหนึ่งพระธรรมคำสอนถ้าเปรียบเทียบก็เหมือน แม้ไม่มีสำนักงานใหญ่แต่ยังมีสาขาอยู่ยังสามารถไปติดธุระติดต่อธุรกิจได้เช่นธนาคารต่างๆสำนักงานใหญ่ถูกไฟไหม้ไปแต่ยังมีสาขาต่างๆในประเทศที่เรายังสามารถไปทำธุรกรรมได้ยังไปฝากเงินได้ถอนเงินได้กู้เงินได้อยู่ฉันใดพระพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนสำนักงานใหญ่ผู้ก่อตั้งพระพุทธศาสนาขึ้นมา ร่างกายของพระพุทธเจ้าก็เหมือนร่างกายของพวกเราก็ไม่เที่ยงเหมือนกันทรมาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟที่จะต้องกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไปหลังจากอายุแปดสิบปีแต่พระพุทธเจ้าฉลาดรู้ล่วงหน้าก่อนว่าท่านจะต้องตายท่านก็เลยสร้างสาขา ข, าขึ้นมาเยอะแยะเลยสร้างสาวกต่างๆขึ้นมาการประกาศพระธรรมของพระพุทธเจ้าครั้งแรกนี้ ตั้งเป้าไปที่พวกที่สามารถบรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วก็จะไปแสดงธรรมให้กับพวกนักบวชทั้งหลายทีมพร้อมที่จะรับความรู้พวกนี้เขามีสมาธิแล้วเขารู้จักการทำใจให้สงบมีความสุขแล้ว ลายเขาไม่รู้จักวิธีรักษามันเวลาออกจากสมาธิเพราะเขาไม่รู้เหตุที่มาทำลายความสงบนี้เกิดจากอะไรพอพระพุทธเจ้าบอกว่าเกิดจากความอยากนี่แหละทุกครั้งที่มันเกิดความอยากก็ตัดมันไปอย่าไปอยากมันยอมดีกว่าถ้ามันจะตายก็ยอมตายถ้ามันจะเจ็บก็ยอมเจ็บถ้ามันจะแก่ก็ยอมแก่ ถ้าใครจะจากเราไปก็ยอมให้เขาไปแล้วใจก็จะไม่ทุกข์ขึ้นมาทันทีทั้งมือคำว่าคาสอนที่เขาพูดว่าให้ใช้สู่สามยอมยอมหยุดแล้วก็จะเยน็น ยอมยอมรับความจริงเกิดแล้วต้องดับเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายยอมรับความแก่ความเจ็บความตายก็จะหยุดต่อต้านหยุดอยากไม่แก่หยุดอยากไม่เจ็บหยุดอยากไม่ตายพอหยุดความอยากได้ใจก็เย็นใจก็สงบนี่คือสูตรสามยอยอมหยุดเย็นวิธีที่จะทำให้ใจเราไม่ทุกเวลาที่เราไม่ได้อยู่ในสมาธิ ออกจากสมาธิมาอย่าไปต้านความจริงพอคิดถึงความแก่ก็ยอมแก่คิดถึงความเจ็บก็ยอมเจ็บคิดถึงความตายก็ยอมตายคิดถึงการพัดพากจากกันก็ยอมพัดพากจากกัน วันน <ngày> ี้มีงานทำเพิ่งนี้อาจจะตกงานก็ได้ก็ยอมถ้ายอมเราจะไม่กังวลกับเรื่องงานจะตกงานเมื่อไหร่ก็ยอมเพราะรู้ว่าไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องตกกันทุกคนไม่ตกแบบสมัครใจไม่ตกแบบยอมมันก็ตกแบบไม่ยอมถ้าตกแบบไม่ยอมมันก็ทุกข์ถ้าตกแบบยอมมันก็ไม่ทุกข์เช่นคนที่เบื่องานแล้วลาออกจากงานก็ไม่ทุกข์ใช่เบื่องานตกงานลาออกจากงาน ถ้าตกงานแบบนี้กับไม่ทุกข์ถ้ายังชอบทำงานอยู่แล้วตกงานนี่จะทุกข์เพราะยังไม่อยากยังไม่อยากตกงานเห็นไหเราต้องมาแก้ปัญหาของเราที่ความอยากด้วยการยอมยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นกับเราไม่ว่าจะมาในรูปแบบไหนก็นะั้นก็ยอมมันไปหมดถ้ายอมแล้วเราจะหยุดความอยากต่อต้านความจริงได้ เมื่อเราหยุดต่อต้านความจริงใจเราก็จะเย็นตัวที่ทําให้ใจเราร้อนทําให้ใจเราวุ่นก็คือความอยากที่จะต่อสู้กับความจริงซึ่งใ น, ในที่สุดล้วก็สู้มันไม่ได้ใครจะไปสู้ความแก่ได้ใครจะไปสู้ความเจ็บได้ใครจะไปสู้ความตายได้สู้ได้ก็ไม่นานเช่นผมหงอกก็ไปย้อมมันย้อมไม่ถึงเดือนมันก็หงอกโผล่มาใหมา่ก็ ยอมไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เป็นโรคผิวหนังขึ้นมาอีกแต่ที่สุดก็ต้องยอมแพ้อยู่ดีฉะนั้นยอมมันดีกว่ายอมความจริงยอมรับความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงมีเกิดแล้วมีดับมีเจริญแล้วมีเสื่อมมีมาแล้วมีไปถ้าเรายอมได้เราก็จะหยุดความอยากไม่ให้เขาจากเราไปได้พอเราหยุดความอยากที่ได้ใจเราก็สงบเย็นสงบเย็นสบายมีความสุขขึ้นมา นี่แหละคือวิธีที่จะทําให้พวกเรานี้ไม่ต้องมาทุกข์ไม่ต้องมาวุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆที่เราทุกข์กันอยู่ทุกวันนี้นับตั้งแต่เริ่มต้นที่ร่างกายของเราทุกเป้าหมายแรกที่สร้างความทุกข์ให้กับเราก็คือร่างกายพอเราบรรเทาทุกข์ทางร่างกายแล้วเราก็ไปทุกข์ทรัพย์สมบัติทุกข์กับบริษัทบริวารของเราต่อทุกข์กับคนที่เราเกี่ยวข้องต่อ เพราะเราไปอยากให้เขาดีอยากให้เข า, อ, าอยู่กับเราให้เขามีความสุขแต่มันไม่มีอะไรที่เป็นอย่างตามความอยากเราได้เพราะโลกนี้มันพลิกไปพลิกมาเดี๋ยวสุขบ้างเดี๋ยวทุกข์บ้างเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวตายมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกกับทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นกับทุกคนแต่เราถ้าเราไม่ศึกษาเราก็จะลืมเราจะคิดว่าเรา จะทำให้สิ่งต่างๆนั้นดีไปตลอดไม่มีวันไม่ดีแต่มันเป็นไปไม่ได้นี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องศึกษาแล้วนำเอาไปปฏิบัติให้ได้ถ้าเราอยากจะแก้ปัญหาของเราที่เรามีกันอยู่ทุกวันนี้คือความทุกข์ความไม่สบายใจ เกี่ยวกับเรื่องต่างๆนี่มันเกิดจากความอยากความหลงของเราเท่า น, นั้นเองหลงไปอาศัยสิ่งต่างๆมาเป็นเครื่องมือให้ความสุขกับเราซึ่งเป็นการหาความสุขที่มีพิษมีภัยมีความทุกข์ตามมามาเชื่อพระพุทธเจ้าดีกว่ามาเปลี่ยนหาวิธีหาความสุขแบบพระพุทธเจ้าดีกว่าพระพุทธเจ้าท่านก็เคยหาความสุขแบบเรามาก่อนท่านเป็นเจ้าชายท่านมีปราสาทสามฤดูะ ท่านมีบริษัทบริวารมีทรัพสมบัติมากมายสามารถมีความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ได้ทุกวันแต่ท่านก็ไปเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเขา้าท่านก็รู้ว่าต่อไปร่างกายมันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็จะไม่สามารถหาความสุขได้ท่านก็เลยไปเห็นคนนักบวชก็ได้เรียนรู้ว่านักบวชนี่เขา มีวิธีหาความสุขอีกรูปแบบหนึง่งหาความสุขไม่ได้ผ่านทางร่างกายไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขใช้ความสามารถที่จะมาระงับใจให้สงบให้เข้าสมาธิให้ได้ท่านก็เลยไปบวชไปอยู่กับพวกนักบวชแล้วก็ไปเรียนรู้วิธีหาความสุขจากการทำใจให้สงบก็ได้ในระดับชั่วคราวระดับสมาธิ แต่พอออกจากสมาธิมาก็ไม่มีใครรู้วิธีที่จะทำให้ใจไม่ทุกข์ได้พระองค์ก็เลยต้องไปค้นคว้าด้วยตัพระองค์เองจนในที่สุดก็ทรงค้นพบว่ามันเกิดจากความอยากของใจเองอยากให้ร่างกายอยู่ไปนานๆไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอยากมีความสุขจากสิ่งต่างๆอยากให้สิ่งต่างๆที่มีนี้ไม่จากเราไปให้ความสุขกับเราไปตลอด แต่พอมองความจริงก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นอย่างนี้ไปได้ตลอดทุกสิ่งทุกอย่างมีเจริญมีเสื่อมมีการเปลี่ยนแปลงมีเกิดมีดับพอเห็นความจริงก็เลยยอมรับความจริงดีกว่าพอยอมรับความจริงปล่อยให้แก่ให้เสื่อมให้อะไรไปใจก็ไม่ทุกข์ไม่ทุกข์กับความแก่ไม่ทุกข์กับความเจ็บไม่ทุกข์กับความตายใจก็มีความสุขได้ตลอดเวลาจากการทาใจให้สงบ เพราะสิ่งที่ทำให้ใจไม่สงบก็คือความอยากนี่พอกำจัดความอยากได้ใจก็สงบโดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิก็ได้พระพุทธเจ้าก็เลยมีความสุขตลอดเวลาก็เลยเอาความสุขแบบนี้มาแชร์ให้พวกเรามาแบ่งปันให้พวกเรากดชอบกัน ชอบความสงบความสุขที่เกิดจากความสงบเนี่ยอันเนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าเอามาแจกจ่ายให้พวกเราถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเราจะไมะร่รับประกันได้ว่าเราจะไม่ได้ยินคํานี้คําที่ว่านัตถิสันติวาลังสุ ข, ขังสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีในโลกนี้เนี่ยเนี่แหละเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าเอามาแชร์ให้กับพวกเรามาแบ่งปันให้กับพวกเราคือรสแห่งธรรมที่ชนะรสทางปวง นอกจากรถแห่งธรรมแล้วยังสอนวิธีที่จะทำให้พวกเราได้เข้าถึงรถแห่งธรรมนี้ด้วยเราต้องรู้จักวิธีเข้าถึงรถแห่งธรรมนี้ถึงแม้จะรู้ว่ารถาแห่งธรรมนี้วิเศษอย่างไรแต่ถ้าเราไม่รู้จักทางที่จะพาให้เราไปสู่รถแห่งธรรมนี้เราก็จะไปไม่เจอเราก็จะไปไม่ถึงเหมือนกับการขึ้นทางด่วนถ้าเราไม่รู้จักที่ขึ้นทางด่วนเราก็จะไม่สามารถขึ้นทางด่วนได้ขับรถเวนอยู่ใต้ทางด่วนเน มีแต่สะพานมีแต่ทางด่วนแต่ไม่รู้ทางขึ้นอยู่ตรงไหนแต่มีคนบอกให้ไปทางนี้ทางขึ้นอยู่ตรงนี้พ อ, อไปปุ๊บก็เจอทางเชื่อมสะพานขึ้นทางด่วนได้อันนี้ก็เหมือนกันนอกจากบอกเราให้รู้ว่ารถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงแล้วยังทรงบอกวิธีที่จะทําให้เราเข้าถึงรถแห่งธรรมวิธีเข้าถึงรถแห่งธรรมก็นี่แหละก็ให้ปฏิบัติสามประการด้วยกันให้ทําบุญทําทานให้รักษาศีล แล้วก็ให้ไปหัดภาวนาหัดนั่งสมาธิทำให้ใจให้สงบเรียกว่าสามถภ า, าวนาแล้วก็หัดฟังเทศฟังธรรมให้เกิดปัญญาขึ้นมาเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาถ้าเราปฏิบัติได้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์ เต็มร้อยตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัติเราก็จะสามารถเข้าถึงรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงได้แล้วความทุกข์ต่างๆที่เรามีกันอยู่ในปัจจุบันนี้ก็จะหมดไปน้ําตาที่เราเคยหลั่งมากยิ่งกว่าน้ําในมหาสมุทรก็จะเหือดแห้งไปจะไม่มีการหลั่งน้ําตาอีกต่อไปเชื่อไหมพระพุทธเจ้านี้ไม่หลั่งน้ําตาหลังจากที่ได้ทรงตัดจรูุในวันเพ็ญเดือนหก วันที่พระ อ, องค์ทรงหลุดพ้นจากความทุกข์ทรงตัดสั้ทางสู่ความสุขที่แท้จริงความทุกข์ไม่มีในใจของพระพุทธเจ้าอีกต่อไปแต่พวกเราตอนนี้รับประกันได้ว่ายัางต้องร้องไห้กันอยู่เดี๋ยวก็ต้องร้องไห้กับเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะเดี๋ยวเขาจะต้องจากเราไปจะต้องมีการพัดภ่าจากกันแต่ถ้าเรามาปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนได้ ต่อไปน้ำตาต่างๆจะไม่มีในเอามาจากร่างกายเราอี ก, อกต่อไปจะมีแต่ความสุขความสบายใจความอิ่มเอิบใจหล่อเลี้ยงจิตใจของเราไปตลอดอย่างไม่มีวันสิ้นสุด นี่คือเหตุทำไมพวกเราในวันหยุดทำงานควรที่จะเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กันควรที่จะมาวัดกันในเบื้องต้นก็มาฟังเทศน์ฟังธรรมให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรให้รู้ว่าควรจะปฏิบัติต้นอย่างไรเมื่อรู้แล้วท่านต่อไปก็เอาไปปฏิบัติ พระพุทธเจ้าสอนให้ทำบุญทาทานแทนที่จะเอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยเอาไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปเล่นเอาไปทำบุญทาทานแล้วจะทำให้ใจมีความสุขอยากกำจัดความอยากที่มาคอยผลิตความทุกข์ให้กับใจให้น้อยลงได้แล้วก็ให้รักษาศีลห้ารักษาศีลแปดไป แล้วก็มีเวลาว่างก็ไปอยู่วัดไปหัดภาวนานั่งสมาธิเดินจงกลมจะเดินพุโทโธพุโทโธบริกรรมพุโทโธดูลมหายใจเข้าออกใจก็จะเข้าสู่ความสงบในระดับชั่วคราวได้คือสมาธิแล้วพอได้ความสงบแบบชั่วคราวแล้วก็มาหัดใช้ปัญญาสอนใจ ให้เห็นโทษของความอยากต่างๆให้เห็นความจริงว่าความอยากนี้ไปฝืนความจริงไม่ได้ฝืนแล้วจะทุกข์อย่าไปฝืนอย่าไปทำตามความอยากทำตามความจริงดีกว่าแก่ก็แก่เจ็บก็เจ็บตายก็ตาย แล้วใจจะไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นใจก็จะมีแต่ความสุขไปตลอดหนุดพ้นจากความทุกข์แล้วก็ไม่ต้องกลับมามีร่างกายอีกต่อไปไม่ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาทุกข์กับร่างกายมาทุกข์กับสิ่งต่างๆแบบที่เรากาลังทุกข์กันอยู่ในแบบในปัจจุบันนี้แบบนี้จะไม่มีอีกต่อไปเพราะทุกข์ย่อมไม่มีกับผู้ไม่เกิดเมื่อไม่เกิดแล้วจะไปเอาความทุกข์มาจากที่ไหน นี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับถ้าเราเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ขอให้ท่านจงนำเอาไปพิจารณาการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยถาวาริวะหาปุราภิริโพเรนติสากหลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกักปติอิชิตังปะิตังตุมหังคิปเมวาสมิจจโตสัพเพโพเรนตุสังกปา จันโทปนะราโสยธามณนีโชติราโสยธาสัพีติโยวิวัจจันโตสะพารโขวินัสตุมาเตภวะตวันตราโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีดิสานิจังุทาปจายีโนจตา พโรธรมมวทันติอายุวโนสุขังภาลวันนี้เข้ามาเท่าไหร่ทาง Facebook 315คนครับ YouTube 22221คนครับพระอาจารย์วิดีโอออนไลน์38คนครับ ผู้ราฟังบนเขา213คนครับรวมทั้งหมด787คนครับพระอาจารย์ตอนนี้มีช่องทางเข้าฟังธรรมมาบนเขาอีกช่องทางนึงผ่าน IPTV ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแอปได้จากในมือถือแล้วก็เปิดเข้าไปฟังได้ ถ้าอยากจะรู้ที่ก็ต้องเข้าไปดูในที่โพสอยู่ในเฟ c บุ๊ก k ก็จะมีโพสที่บอกให้ไปดาวน์โหลดแอปได้แล้วสามารถดูได้ทั้งวัน24ชั่วโมงตลอดเวลาเป็นเหมือนทีวีวันนี้เป็นช่วงนี้เป็นช่วงถามตอบคำถามใครอยากจะถามอะไรขอเชิญถามได้ ถ้าไม่อยากจะถามเองก็ใส่กระดาษเขียนข้อความส่งเข้ามาถ้ายังไม่มีใครถามก็ตอนนี้เอาคำถามจากทางบ้านก่อนหรือมีแล้วเชิญสาธุเจค่ะขอโอกาสถามครับฝึกสมาธิแล้วลมหายใจหายร่างกายหายไม่สามารถคิดเรื่องใดได้บางครั้งเป็นแบบนี้นานบางครั้ง ก็เป็นเวลาไม่นานจิตก็จะถอนออกมาสามารถใช้จิตที่ถอนออกมานี้เริ่มพิจารณาปัญญาได้หรือไม่ครับได้ถ้าเวลาไม่ได้อยู่ในสมาธินี้ใช้ปัญญาได้ตลอดเวลาแต่ถ้าเวลาอยู่ในสมาธินี้ไม่ควรใช้ปัญญาควรพยายามรักษาจิตให้นิ่งไปนานๆด้วยสติถ้ายัางเข้ามาเข้าสมาธิไม่ได้ ชำนาญเวลาออกจากสมาธิมาก็ยังไม่ควรใช้ปัญญาควรฝึกสติต่อไปควรควบคุมใจให้หยุดคิดให้อยู่กับพุโทโธจะดีกว่าเพราะเราต้องได้สมาธิก่อนก่อนที่เราจะไปได้ปัญญาใช้ปัญญาเพื่อดับกิเลสได้ถ้าไม่มีสมาธิจิตจะไม่มีพลังสมาธิเป็นเหมือนอาหารของจิตปัญญาเป็นเหมือนอาวุธเช่นทหารนี เขามีอาวุธแต่ถ้าเขาไม่มีข้าวกินเขาก็ไปสู้กับข้าศึกศัตรูไม่ได้ต้องให้เขามีสเสบียงกินอาหารให้อิ่มให้ร่างกายมีกำลังแล้วถึงค่อยเอาอาวุธไปต่อสู้กับข้าศึกศัตรูสมาธิจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องให้กับจิตใจก่อนให้จิตใจมีกำลังเมื่อจิตใจมีกำลังแล้วถึงค่อยมอบอาวุธคือปัญญาให้กับจิตใจเมื่อ ใจิตใจมีอาวุธมีกำลังพอเจอข้าศึกคือกิเลสตัณหาก็จะสามารถทำลายมันได้ทันทีคํา yeah. คำถามต่อไปจากคุณเชยาพากำเนิดสิริคุณกราบในมัสการหลวงพ่อเจ้าคะ่ะตอนนั่งสมาธิแล้วลมหายใจไม่มีบริกรรมพุทโธแล้วก็ยังมีความรู้สึกอึดอัดอยู่ตลอด เหมือนกับคนหายใจไม่ได้ลูกควรทําอย่างไรเจ้าคะเือจิตยังไม่สงบมันก็จะมีอาการต่างๆถ้าบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปเรื่อยๆก็บริกรรมไปอย่าไปสนใจกับอาการอึดอัดเดี๋ยวพอจิตมีสติมากขึ้นสงบมากขึ้นอาการอึดอัดต่างๆก็จะเบาลงหายไป ถ้าพุโทโธไม่ได้ก็อาจจะเปลี่ยนวิธีมาเป็นการสวดมนต์ไปก่อนก็ได้อสวดมนต์ไปเรื่อยๆแล้วความรู้สึกอึดอัดก็จะบรรเทาหายไปพอหายแล้วจะกลับมาดูลมหายใจต่อก็ได้หรือจะมาพุโทโธพุโทโธต่อก็ได้คําถามต่อไปจากคุณสุชาดาอรุณไวยกิจกราบเรียนสอบถามพระอาจารย์เจ้าคะ่ะเวลาฟังเทศ คนหลับตานั่งสมาธิหรือไม่เวลานั่งหลับตาฟังชอบมีอาการง่วงนอนคะ่ะเวลาฟังเทศควรจะมีสติกับการฟังเสียงธรรม <c oughs> จะลืมตาก็ได้จะหลับตาก็ได้ <c oughs> ถ้าหลับตาแล้วง่วงก็ลืมตาแต่ถ้าลืมตาแล้วบางทีก็มีเรื่องอื่นมาดึงใจไปได้เช่นลืมตาแล้วอาจจะเห็นคนนั้นคนนี้ จิตก็ จ, จะไปปรุงแต่งกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ไม่อย่างนั้นหลับตาดีกว่าจะได้ไม่ต้องมีเรื่องอะไรมาละดึงใจออกจากการฟังธรรมเป้าหมายคือให้มีสติอยู่การฟังธรรมถ้าหลับตาแล้วง่วงก็แสดงว่าเรากินมากเกินไปก่อนจะฟังธรรมอย่าเพิ่งกินให ฟังธรรมก่อนแล้วค่อยไปกินมันจะได้ไม่ง่วงอย่าฟังก่อให้กินข้าวอิ่มแล้วค่อยไปฟังธรรมนี้อย่างนี้มันมักจะง่วงไว้เอาแบบฟังธรรมก่อนแล้วค่อยกินดีกว่าจะได้ไม่ง่วงคำถามต่อไปจากคุณชอบเพ็ดแตรบัลเลงทำอย่างไรให้สามารถเข้าฌานได้ตลอดเวลาเจ้าคะก็ต้องมีสติตลอดเวลา ต้องจิตต้องควบคุมความคิดได้ตลอดเวลาถ้าควบคุมความคิดหยุดความคิดได้ตลอดเวลาก็เข้าฌานได้ตลอดเวลาหมดแล้วเลยฌานก็คือความนิ่งเห <c oughs> มือนรถยนต์จิตเหมือนรถยนต์เวลาจิตคิดก็เหมือนจิตเหมือนรถยนต์วิ่งถ้าต้องการให้รถยนต์จอดเราก็ต้องเหยียบเบรกถ้าเบรกไม่ดีเหยียบแล้วมันไม่หยุดก็แสดงว่าต้องเข้าอู่ ก็ไปเสริมเบรคไปซ่อมเบรอจิตของเราก็เหมือนรถยนต์ความคิดก็เหมือนการวิ่งของของจิตเวลาจิตคิดก็สแสดงว่าจิตกำลังวิ่งเหมือนรถยนต์วิ่งพอเราใช้สติหยุดมันสั่งให้มันหยุดมันไม่หยุดก็สแสดงว่าสติเรามีกำลังน้อยเราก็ต้องไปเสริมสติด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไป เวลาอยากใช้จิตหยุดคิดอะไรก็มันพุโทโธพุโทโธพุโทโธอยู่เรื่อยแล้วความคิดต่างๆก็จะเบาลงจะหยุดลงได้ต่อไปมีคำถามใหม่เรื่ยงมีคำถามโยนฝากถามค่ะผมสงสัยว่าทำไมระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงฝ่ายหญิงจะข้อหาทมมากกว่า ความจริงก็ไม่จริงหรอกที่ว่ามันมีทั้งหญิงทั้งชายที่เข้าหาธรรมเพียงแต่เข้าหากันในลักษณะที่ต่างกันผู้ชายส่วนใหญ่ถ้าเข้าหาธรรมก็ไปบวชกันแต่ผู้หญิงนี่ส่วนใหญ่ก็จะไปวัดกันไปทําบุญชั่วคราวกันก็เลยอาจจะรู้สึกว่าเวลาไปทําบุญที่วดัดญาติยมจะเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายแต่เวลาบวชนี่จะมีผู้ชายบวช ม, มากกว่าผู้หญิง ดังนั้นการาเข้าหาธรรมของผู้หญิงของผู้ชายนี้เข้าหาด้วยวิธีต่างกันผู้หญิงนี้จะเข้าไปแบบชั่วคราวมากกว่าไปทําบุญหรือไปอยู่วัดครั้งละสามวันห้าวันเจ็ดวันแต่ผู้ชายนี่เข้าพรรษานี้ก็บวชกันทั้งพรรษาบางคนก็บวชยาวไปเลยดังนั้นคิดว่าการเข้าหาธรรมไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายนี้ก็ อยู่ที่ความยินดีหรือความต้องการของแต่จิตของแต่ละดวงไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายจะมีความยินดีอยากจะเข้าหาธรรมก็จะมีการเข้าหาธรรมไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นชายแต่ถ้าจะวัดจากปริมาณของผู้เข้าวัดทาบุญใส่บาตรนี้ผู้หญิงย่อมมากกว่าผู้ชายหลายเท่าแต่ถ้านับปริมาณของพวกนัก บ, บวช ผู้ชายก็จะมีมากกว่าผู้หญิงห ม, หมดแล้วนะหทนก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของคนอื่นไม่ต้องกังวลว่าผู้หญิงมากกว่าผู้ชายกังวลว่าเราเข้าวันหรือเปล่าเข้าหาธรรมหรือเปล่าคนเดียวพอแล้วไม่ต้องไปกังกวลกับคนทั้งโลกให้เหนื่อยยากไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไร กังวลกับเรื่องของเราคนเดียวประโยชน์จะเกิดขึ้นกับเราหายกังวลกันเรื่องของคนอื่นประโยชน์ไม่เกิดงั้นอย่าไปกังวลดูได้รู้ได้รู้แล้วก็ปล่อยวางะรู้ว่าเออผู้หญิงก็มากกว่าผู้ชายผู้หญิงทําบุญมากกว่าผู้ชายผู้ชายบวชมากกว่าผู้หญิงพอละไม่ต้องไปถามว่าทําไมมันเสียเวลาเราเป่าเปล่าไม่เกิดประโยชน์อะไรให้มาถามในเรื่องที่เราคนถามดีกว่าว่า เราเป็นใครวะเราเป็นร่างกายหรือเราเป็นจิตใจทำยังไงจะทำให้เราเห็นว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายทำให้เราเห็นว่าเห็นว่าเราเป็นจิตใจก็ต้องปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสอนนี่แหละไปทำบุญทำทานของเราไปรักษาศีลของเราไปฝึกนั่งสมาธิของเราเดี๋ยวเราก็จะเห็นเองว่าใครเป็นใครกันแน่เราเป็นร่างกายหรือเราเป็นจิตใจ เราทุกข์เพราะอะไรแล้วเราดับความทุกข์ได้อย่างไรให้รู้เรื่องราวอย่างนี้ดีกว่ามีคนมีประโยชน์กับเรามากกว่าที่จะไปดูเรื่องของชาวบ้านก็ว่าคนนี้เป็นสามีของใครเลอกกับคนนี้แล้วไปมี <c oughs> <c oughs> มันไม่เกิดประโยชน์อะไรกับเราพวกนินทาการเลทั้งหลายเนี่ยให้มาสนทนาธรรมมาค้นหาธรรมะ ก, กันดีกว่าอย่าไปค้นหา <c oughs> เรื่องของชาวบ้านเนแต่ชอบกันซึ่งชอบรู้ติดตามาน <laughs> คนนี้เลยกับคนนี้เราจะไปมีกับขายต่อออแล้วเราได้อะไรก็ไม่ได้อะไรแต่ก็ได้แฟนสวยแฟนหล่อแล้วก็อิดฉาเขาอีก <laughs> น้อยใจในในความมาพับวาสนาของเรา <laughs> นะสู้มาหาธรรมะที่กว่า มาขุดคุยหาธรรมะในตัวเราดีกว่าแล้วเราจะมีความสุขยิ่งกว่ามีนายแบบนางแบบมาเป็นแฟนใะอีกเนะี่ยมีคําถามเข้ามาเจ้าค่ะคําถามจากคุณพัชนียากรเรียนฐานพระอาจารย์ <c oughs> สุชาติเจ้าค่ะ <c oughs> นําอาหารแห้งถวายพระสงฆ์ <c oughs> แต่เข้าสารที่ถวายขึ้นราค่ะซึ่งเราไม่รู้เลยว่าเสีย อย่างนี้เราบาปไหมคะถ้าเราไม่รู้ไม่บาปหรอกแต่ทุกครั้งซื้อของนี่ควรจะสังเกต ด, ดูวันที่เดี๋ยวนี้เ็ามีวันที่วันผลิตวันหมดอายุ เ, ย เ, ยเวลาาติโยมซื้อของที่ใส่รวมกันในกระแปงเนี่ยมักจะเจอของหมดอายุเพราะพ่อค้าแม่ค้ากว่าก็จะขายได้บางทีมันต้องหลายวันหลายเดือน แล้วเขาพอเขาจัดใส่กระป๋องเรียบร้อยเขาปิดแล้วเขาก็ไม่แกะออกมาเปลี่ยนหรือบางทีเขาค้าเอาสินค้าเก่าที่เขาขายไม่ได้มารวมใส่กระป๋องกันเพราะว่าเวลาคนซื้อไม่สามารถดูวันที่ได้ว่าของที่อยู่ในกระป๋งนี้มีวันผลิตวันวันหมดอายุเมื่อไหร่นังั้นวิธีสไวยสัง ซือของถวายพ้า อ, อย่าซื้อแบบนั้นจะไม่ได้รับประโยชน์ของที่เขาจัดมาเป็นชุดใส่กับแปรงสีเหลืองๆอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นของที่ไม่ค่อยมีคุณภาพแล้วของที่ใกล้วันหมดอายุหรือหมดอายุก็ได้ควรจะไปซื้อแบบที่ญาติโยมซื้อให้กับตัวเองญาติโยมเวลาไปซื้อของไปซื้อแบบของที่เขาจัดในกระเป๋าก็ไม่จัดใช่ไหมเราก็ไปเลือกซื้อของเรา เลือกผลไม้เลือกของสดของใหม่ของอะไรเวลาซื้อของถวายพระน่าจะทำอย่างนั้นดีกว่าอย่าไปติดกับรูปแบบว่าจะต้องใส่กระแปงใส่ถุงมาก็ได้กระแปงนี่เขาเป็นเป็นสำหรับพวกคนที่เขาจัดเป็นชุดชุดให้คนที่เขาไม่มีเวลาที่จะไปซื้อของด้วย เลือกซื้อของเขาอยากจะทำบุญปุ๊บปั๊บขึ้นมาเขาก็เลยเห็นมีกระแปงชุดเขาก็ซื้อกระแปงมากันแล้วก็เลยกลายเป็นความเข้าใจผิดคิดว่าเวลาจะถวายของพระต้องเป็นของของใส่เป็นชุดใส่เป็นกระแปงความจริงไม่จำเป็นเลยของถวายพระนี่ถวายอะไรก็ได้เครื่องใช้ของกินที่พระกินได้ใช้ได้อย่าไปถวายเบียร์ <laughs> อย่าไปถวายเหล้าอะไรทานองนี้ก็แล้วกัน แต่ของอื่นก็กินได้เหมือนกับาอิโยมถวายได้เนี่ยงแต่ว่าต้องรู้จักว่าถ้าเป็นของสดนี่ต้องถวายช่วงสายบาทหรือตอนเช้าก่อนเพนนถ้าหลังเพนแล้วของสดนี่จะเก็บไว้ไม่ได้ต้องสละไปแต่เป็นของแห้งของเครื่องกระป๋องอะไรพวกนี้ยังเก็บไว้ได้อยู่ถวายได้อยู่มีคำถามจากคุณซีบล็อตสกายนะคะ เรียนถามพระอาจารย์เราควรจะมีฌานตลอดเวลาใช่ไหมคะจะได้มีกําลังตัดกิเลสในชีวิตประจําวันได้และการมีฌานตลอดวันกับการมีสติตลอดวันเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนหรอกการมีสติก็ยังเป็นการสร้างฌานอยู่สติเป็นตัวสร้างฌานถ้ามีสติ ต่อเนื่องก็สามารถมีฌานอย่างต่อเนื่องได้ฉะนั้นก็จะว่าการมีสติเป็นการมีฌานก็ได้แต่บางทีก็ยังไม่มีมีสติแต่ยังจิตยังวัดไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้อยู่ก็ยังไม่มีฌานอยู่ยต้องมีสติแบบที่ทําให้จิตไม่คิดเรื่องนู้นเรื่องนี้เลยซึ่งส่วนใหญ่ก็ต้อง เกิดจากการเวลาเวลานั่งเวลานั่งเราไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องคิดอะไรแต่ถ้าเรายังเคลื่อนไหวยังทำอะไรอยู่ถึงแม้มีสติมันก็ยังมีฌานไม่ได้แต่หลังจากถ้าเรามีฌานอย่างชํานาญมีแล้วเวลาออกจากฌานเรายังสามารถทำหลายด้านด้วยการมีฌานอยู่แต่ตอนที่ยังไม่มีฌานนี้ควรจะนั่งบ่อยๆนั่งมากๆ แต่พอนั่งจนกระทั่งมีชาญมากแล้วเวลาออกจากสมาธิยังมีชาญติดออกมาก็สามารถที่จะไปทำไรต่อได้คําำถามจากคุณกุ้งทุกย่างก้าวหรือเวลาที่ว่าจากการพูดคุยรู้สึกนึกถึงพุทโธและอยากตลอดเวลาอาการนี้ควรทำอย่างไรต่อเจ้าคะ ถ้าพุโทโธได้ตลอดเวลาถ้าว่างก็ไปนั่งต่อเพราะว่าเดินมันจะไม่สงบเท่ากับการนั่งอย่างถ้าว่างแล้วพุโทโธได้ไปนั่งพุโทโธพุธโทโธนั่งหลับตาแล้วจิตก็จะเข้าสู่ความสงบได้ลึกได้มากกว่าเวลาที่ไม่ได้นั่งทําบ่อยๆนั่งบ่อยๆว่างเมื่อไหร่นั่งได้ก็นั่งเลยส่วนใหญ่มักจะไม่นั่งส่วนใหญ่มักจะไปดู นู่นดูนี่ไปกินนูน่นกินนี่กันคำถามต่อไปจากคุณยายรส า, ากราบเรียนถามพระอาจารย์โยมอยากทราบว่าการเข้ากรรมฐานต้องปฏิบัติอย่างไรเจ้าคะข้อที่หนึ่งก็ต้องรู้ว่าการเข้ากรรมฐานนี่เป็นอย่างไรเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโยมพูดว่าเข้ากรรมฐานนี่ทําอย่างไรเพราะว่า มันไม่มีการเข้ากรรมฐานคำว่ากรรมฐานนี้เป็นอารมณ์ที่เราใช้ในการควบคุมใจให้สงบเช่นพุทธโธพุทธโธนะการมีกรรมฐานการเข้ามาฐานก็คือการฝึกพุทธโธนี่เองฝึกสติให้เกิดให้ให้เกิดสติขึ้นมาด้วยการฝึกพุทธโธพุทธโธ กรรมฐานก็ไม่ใช่มีเพียงแต่พุโทโธอย่างเดียวพุโทโธเป็นหนึ่งใน4ี่สิบกรรมฐานเราจะใช้วิธีอื่นก็ได้ที่อื่นบางทกีก็ให้ดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก้าวหนอยกหนอวางหนョให้รู้ว่าเรากำลังเดินอยู่ไม่ให้ใจลอยไปที่อื่นให้ดึงมาอยู่กับการเดินกำลังกินก็กินหนอกินหนอเคี้ยวหนอเคี้ยวหนอเลื่อนหนอเคลื่อนหนอ อันนี้เป็นการเข้ากรรมฐานแบบหนึ่งโดยใช้การดูการเคลื่อนไหวของร่างกายดูการกระทำของร่างกายเป็นการผูกใจเพื่อให้ใจไม่ลอยไปไหนเมื่อไหนพอเราว่างจากภารกิจการงานไม่ต้องทำอะไรเราก็นั่งหลับตาแล้วก็ดูลมหายใจ ถ้าดูที่ดูที่หน้า อ, อกก็จะเห็นว่ามันยุบมันพองที่หน้า อ, อกก็จะว่ายุบหนอพองหนอก็ได้หรือไม่พูดก็ได้เพียงแต่รู้ว่ามันยุบมันพอง ที่หน้าอกของเราเวลาลมเข้ามันหน้าอกจะผองออกมาเวลาลมออกไปมันก็จะยุบเข้าไปหรือถ้าเราไม่ดูที่หน้าอกเราจะดูที่ปลายจมูกก็ได้ือว่าอ๋อตอนนี้ลมมันสัมผัสที่ปลายจมูกเวลาออกมันก็ต้องสัมผัสที่ปลายจมูกเวลาเข้ามันก็ต้องสัมผัสที่ปลายจมูกก็เฝ้าดูอย่างนั้นไปอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องอื่น ถ้าทำอย่างนี้ได้เดี๋ยวใจก็จะสงบเป็นสมาธิจะมีความสุขมากมีความสุขที่เกิดจากความสงบ น, นี่คือวิธีการเข้าสมาธิเข้ากรรมฐานคือต้องใช้กรรมฐานเป็นอารมณ์ควบคุมใจอย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่อยเปื่อยพอมีเวลาว่างก็นั่งแล้วก็พุโทโธไปดูลมไปแล้วแต่เราจะใช้อย่างไหนก็ได้ใช้แทนกันได้ อย่างสมมติว่าถ้าเกิดเราใช้พุโทโธแล้วจิตมันไม่สงบเราเปลี่ยนเป็นคําบริกรรมอื่นได้เลยไหมคะได้บางคนก็ใช้อาการสามสิบสองเพราะว่าพออาการสาสองแล้วมันสงบแล้วแต่จลิตบางคนก็ท่องผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเลื่อยไป แล้วก็ย้อนกลับมาถอยหลังกลับเนอย่างนี้มันต้องใช้สติมากมันก็จะทำให้ใจหยุดคิดเรื่องอื่นได้้นจะใช้หลายแบบก็ได้บางคนก็ใช้บทสวดมนต์ถ้าชอบสวดมนต์ก็ชอบสวดอิติปิโสไปอิติปิโสผักกวาสวดไปหลายหลรอบแล้วแต่ถ้าเราไม่สามารถใช้กรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งได้ก็เปลี่ยนได้ คำถามสุดท้ายน ะ, ะนะเจ้าค่ะ <c oughs> คำถามจากคุณวิชาโรลี่กราบเรียนถามเจ้าค่ะถ้าเราคิดจะทำผิดศีลข้อใดข้อหนึ่งแต่ถ้าเราระ ง, งับการกระทำผิดนั้นได้ด้วยคำสอนครูบาอาจารย์อย่างนี้จะเรียกว่าเรามีปัญญาหรือยังคะอย่างเหรเรียกว่าเรามีศีลนคะือเราเระ ง, งับการกระทำบาปได้ ก็เรียกว่าเรามีศีลระดับนี้เรายังไม่เรียกว่าปัญญาถึงแม้ว่าจะเป็นความรู้ก็เป็นความรู้ระดับศีลรู้ว่าการทําบาปไม่ดีทําบาปแล้วจะเกิดโทษกับเราก็หยุดมันเสียอย่าไปทําก็เรียกว่าปัญญาระดับศีลแต่ไม่ใช่ปัญญาระดับวิปัสสนาเรียกว่าเป็นศีลมากกว่าเอาล้วนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา